รู้จริงแล้วจัดให้ตรงพุทธวจนะถ้าเอามาผิดที่ก็คืนไปแล้วกลับเข้าอยู่ในที่ตามเรื่องว่าพราคึกฤทธิ์จัดทำหนังสือที่ชื่อว่าพุทธวจนะหรือชื่ออะไรก็ตามซึ่งจะมีเฉพาะแต่คำตรัสของพระพุทธเจ้าไม่มีเรื่องราวถ้อยคำของผู้อื่นเช่นภาษาวกโดยตัดคัดจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ที่พระคึกฤทธ์บอกว่าเป็นสยามรัฐและโดยไม่เชื่อถืออัตฉริย ถ, ถ้าเรื่องเป็นจริงดังที่ว่านี้ก็มาทบทวนกันว่า 1. ชัดแน่อยู่แล้วว่าไม่มีพระไตรปิฎกภาษาไทยใดๆเป็นสยามรัฐหรือเป็นฉบับสยามรัฐเรื่องที่พระคึกฤทธ์บอกจึงไม่เป็นความจริงตั้งแต่เริ่มต้น 2. พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ เป็นที่ยอมรับนับถือเป็นหลักก็เพราะเป็นภาษาบาลีคือเป็นฉบับหนึ่งที่บรรจุของเดิมที่เป็นภาษาบาลีซึ่งเป็นตัวแท้ตัวจริงที่เอาจริงเอาจังรักษากันมาส่วนที่แปลออกมาเป็นภาษาอื่นๆเช่นเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยนี้เป็นเพียงคู่มือหรือเครื่องช่วยศึกษาเป็นเพียงสื่อหรือสะพานที่จะทอดพาไปใหถึงพระไตรปิฎกบาลี และพุทธวจนะในพระไตรปิฎกภาษาไทยนั้นไม่ใช่เป็นตัวจริงตัวแท้ที่จะเป็นหลักฐานอ้างอิงให้ถึงที่สุดได้พุทธวจนะที่พระคึกฤทธ์นำมาจัดทมจัดแสดงซึ่งเป็นภาษาไทยและตัดคัดมาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยจึงไม่ใช่เป็นพุทธวจนะตัวแท้ตัวจริงที่จะถือเป็นหลักฐานอ้างอิงหรือเอาเป็นหลักฐานตัดสินได้ 3. พระไตรปิฎกภาษาไทยทั้งหมดทุกฉบับที่ได้เกิดขึ้นมาและที่มีอยู่เป็นผลงานแปลจากพระไตรปิฎกภาษาบาลีมาเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยโดยพระเทรานุเทระนักปราชราชบัณฑิตมากมายและท่านผู้แปลทั้งหมดนั้นยอมรับตนเองว่าไม่รู้ภาษาบาลีพอที่จะแปลได้โดยลําพังตนเองแต่ทุกท่านนั้นแปลโดยอาศัยอัตถคถาตั้งแต่ดูความหมายของคํา ตามที่อัตถกถาบอกไว้คล้ายอย่างที่เราอาศัยพจนานุกรมดังนั้นจึงพูด ก, กว้างว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยแปลาตามอัตถกถาเมื่ออ่านพระไตรปิฎกภาษาไทยก็จึงอ่านอัตถกถาไปด้วยโดยไม่ต้องรู้ตัวถ้าพระคึกฤทธ์บอกว่าไม่ยอมรับหรือไม่เอาอัตถกถาท่านก็ต้องไม่ยอมรับต้องไม่เอาพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับใดทั้งสิ้น ถ้าท่านตัดคัดทําหนังสือพุทธวจนะจากพระไตรปิฎกภาษาไทยที่ท่านเรียกเอาเองว่าสยามรัฐโดยไม่เป็นจริงพระคึกฤทธ์ก็จะต้องปฏิเสธต้องไม่ยอมรับหนังสือพุทธวจนะที่ท่านเองจัดทําขึ้นมานั้นถ้าไม่ยอมรับไม่เอาอัตถคถ า, ฐาและถ้าท่านยังจะทําหนังสือพุทธวจนะเป็นภาษาไทยพระคึกฤทธ ก็ต้องแปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาไทยขึ้นใหม่ด้วยตัวท่านเองนอกจากไม่ใช้อัธกถาแล้วก็ต้องไม่ใช้พจานานุกรมภาษาบาลีใดๆด้วยเพราะพะจานานุกรมภาษาบาลีทั้งหลายจัดทำขึ้นมาโดยอาศัยอัธกถาโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้าง 4. พระไตรปิฎกภาษาไทยเป็นงานปลายใหญ่มหึมา เป็นผลงานเกื้อกูลหนุนการศึกษาถึงจะยากเขียนตรำงานนานช้าท่านก็ทำจนสำเร็จขึ้นมาให้ได้ใช้ช่วยการศึกษากันไปขั้นหนึ่งจนได้อย่างไรก็ตามพระไตปิฎกภาษาไทยทั้งหลายทั้งหมดนั้นอยู่ในกระบวนการตรวจชำระแก้ไขในระยะยาวต่อไปอีกนานนักยังมีข้อผิดพลาดบกพร่องที่พึงต้องช่วยกันบอกแจ้งเพื่อทาให้ใกล้ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นเรื่องของส่วนรวมที่พึงเกื้อกูลหนุนกันต่อไปถ้าพระคึกฤทธิ์เลือกคัดตัดเอาพุทธวจนะไปจากพระไตรปิฎกภาษาไทยท่านก็ต้องตรหนักรู้ความจริงข้อนี้ไว้ถ้าท่านไม่ปรับแก้ข้อพลาดข้อพร่องที่ติดมาจากพระไตรปิฎกภาษาไทยด้วยตัวท่านเองท่านก็ควรต้องจัดหรือตั้งคณะทำงานไว้ติดตามการแก้ไขปรับปรุง คำแปลของพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับที่ท่านเลือกคัดตัดความนำมานั้นในระยะเวลายืดยาวต่อไป 5. พระคึกฤทธิ์ว่าท่านทำหนังสือพุทธวจนะเลือกคัดตัดเอามาเฉพาะแต่คําตรัสของพระพุทธเจ้าไม่เอาคําของผู้อื่นไม่เอาคําสอนของพระสาวกแม้แต่ของพระสาเรบุตรที่เป็นอักรสาวกข้อนี้มีเรื่องพูดยาว แต่ตรงนี้จะพูดแค่พอให้เห็นเขาไว้ก่อนพระสาวริบุตรที่เป็นพระสาวกท่านหนึ่งนั้นมีพระสูตรที่รักษากันมาในพระไตรปิฎกมากทีเดียวตัวอย่างหนึ่งคือสังคีติสูตรถ้าพระคึกฤทธิ์ไม่เอาคำของพระสาวกก็คือไม่เอาสังคีติสูตรนี้ด้วยสังคีติสูตรเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับเป็นปฐมที่สันถาคารคือหอประชุมหรืออาคารรัฐสภา ที่สร้างเสร็จใหม่ตามคำอารัธนาของบรรดาเจ้ามัลละแห่งปาวานนครพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกถึงตอนดึกเมื่อเจ้ามัลละทูลลาไปแล้วพระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระสารีบุตรกล่าวธรรมกคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายในขณะที่พระองค์ทรงเอนพักคราวนั้นพระสารีบุตรได้ประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงโดยจัดเป็นหมวดหมวดตามจานวนตั้งแต่ธรรมะหมวดหนึ่ง ถึงธรรมะหมวดสิบเป็นการริเร <Fortnite> ิ <S <S ่มธรำสังคยนาไว้เป็นแบบอย่างเมื่อพระสาวริบุตรกล่าวธรรมกถาประมวลพุทธวจนะจบแล้วพระพุทธเจ้าได้ประทานสาธุการต่อมาหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วพระสาวกได้ประชุมการทำสังคยานาพระธรรมวินัยโดยพระมหากัสสปะตั้งปุชชาพระอุบาลีวิสัชนาพระวินัย และพระอานนท์วิสัชนาพระธรรมคำสั่งสอนที่รักษากันมาในพระไตรปิฎกบาลีก็คือพระธรรมวินนยที่พระสาวกแสดงในสังขยาครั้งนี้ถ้าพระคึกฤทธิ์ไม่เอาสังคีติสูตรของพระสาวรีบุตรเพราะเป็นคำของพระสาวกก็ต้องไม่เอาพระธรรมวินัยซึ่งรวมทั้งพุทธวจนะทั้งหมดในพระไตรปิฎกตั้งแต่ฉบับบาลีมาทีเดียวเพราะทั้งหมดนั้น มาจากสังคยนาที่พระสาวกเป็นผู้บอกเล่ากล่าวแสดงทั้งสิน้นขอให้เทียบกันระหว่างสังคีติสูตรของพระสาวรีบุตรกับสังคยนาครั้งแรกหลังพุท ธ, ธกาลของพระมหากรสปะพระอุบาลีพระอานนท์เป็นต้นนั้นสังคีติสูตรก็คือพระสูตรที่เป็นการสังคยนาโดยตรงประมวลเฉพาะพุทธวจณะแท้ เป็นต้นแบบของสังคยนาเลยทีเดียวแล้วสังคีติสูตรเป็นการสังคยนาโดยพระสาวกผู้เยี่ยมยอดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าแสดงพระธรรมมาจากอย่างพระองค์ได้เป็นชั้นอาจารย์ของพระอาหนนที่ทําสังคยนาครั้งแรกพร้อมกันนั้นสังคยนาแห่งสังคีติสูตรนี้พระสาวรีบุตรประมวลพุทธวจนะมาแสดงต่อพระพักขององค์พระพุทธเจ้าเอง พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จํานวนมากอีกทั้งเมื่อท่านแสดงจบแล้วพระพุทธเจ้าก็ประทานสาธุการเป็นการทรงแสดงความยอมรับเห็นชอบแล้วก็ถือว่าสังคยานาครั้งแรกหลังพุทธกาลก็ได้สังคีติของพระสาริบุตรเป็นตัวอย่างถ้าพระคึกฤติไม่เอาสังคีติสูตรของพระอ克ส า, าวกสาวริบุตร ก็เป็นอันต้องไม่เอาคำวิสัชนาในการสังคยนาของพระอานนต์เป็นต้นที่เป็นพระสาวกรองลงมานี่ก็คือไม่มีพุทธวจนะอันใดที่ไหนที่พระคึกฤทธิ์จะเอามาทำเป็นหนังสือตามโครงการของท่านได้ก็พูดเป็นต้นเขาไว้ทีหนึ่งก่อน